บจบนั่งปฏิบัติรมกันต่อช่วงนี้ดีป <Yeah. S 1> ัตตาสุตโตก็ <Yeah. S 1> มีประพิสูมีแม่ชี <Yeah. S 1> ที่โ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะตั้งใจปฏิบัติทำ <Yeah. S 1> เพราะว่ามีการเก็บอารมณ์กันอยู่ <Yeah. S 1> ถึงจะออกพรรษาแล้วก็ตาม หลายคนก็ตั้งใจมาบวชปฏิบัติก็เริ่มต้นด้วยการบติตั้งแต่เริ่มบวชอันนี้เป็นวิตหมายที่ดีดีความรู้สึกตัวมันเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วมันก็เป็น เป็นวัดปฏิบัติที่ใจโูปแบบกนหนะกนคิ้วนุ่อมอมผ้าเหลืองก็ต้องปฏิบัติไปละวัดใดวัดหนึ่งวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้ก็จึงมีบรรยากาศผสมควรคนน้อ ย, อยแต่ว่าเป็นเรื่องคุณภาพเห็นพระมีการเดินยงกลมกัน ส่วนนั้นก็เก็บอารมณ์ยงกันอยู่ตามกุติเป็นเรื่องของสุภาพจิตทีเดียวสำคัญมากๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันกลางหน้าระยะสั้นๆมันจะได้มีโอกาสปฏิบัติกันต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจลองทำจนกว่ามันก็ว่ามันประกาศชัดเลยในตัวว่ามันไม่ได้วันไหวละ กับการตาสัเรเิญมีลาบเสือเส่อมลาบมียอดเสรอมยอดมีสุขมีทุ ก, ม, ทกมันมีทางออ ก, ท, กทุกโจทย์มีคำตอบตอบโจทย์และเดยเฉาภายในใจที่มันอยู่ได้เมื่อก่อนมันอยู่ไม่ได้มันร้อนรุ่มมันไม่มีความเย็นอกเย็นใจ ความสงบใจทุกครั้งที่ถูกกระทบมันมีตาเจ้าคืนผัวฆ่าคาาพยาบาทจองเวรมันมีแต่คอยจังหวะคอยโอกาสที่จะตอบแทนกันอย่างสาสมประเภทแค้นนี้ต้องชำระหรือว่าทีเองก็ไม่ว่าทีค่าเองอย่าร้องแต่ว่ามันไม่ใช่ มันกลายเป็นว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะมันก็มีอย่างนี้แหล ะ, ะ <_ d> um> ไม่ต้องเหมือนกับว่าอยู่ในโลกแล้วก็มีอารมณ์มากระทบนะหรือว่ามีมีอาการต่างๆที่ปรากฏ <_ d> um> แล้วก็เราจะกระเทือนอย่างเดียวนในวัดก็เหมือนกันถึงที่มีรั้วรอบจิตมีสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบการวิบัติ ว่าถ้ายังทำไม่ถึงมันก็วันไหวเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องถูกต่อไปก็เสียเวลากันละก็เลยไม่ต้องเสียเวลากันไม่มีการลังเลไม่มีการไหวครูเรื่องอื่นเรื่องลองหมดลนะแต่ว่าเรื่องการปดิบัติตรงไหนคือการเฏบัต่นต้ อ, องชัดเจนแลยละ ตัวปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนอะไรคือตัวปฏิบัติคําว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวดนะูมันคืออะไรอะไรที่เรียกว่ากายนะมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมอะไรที่เรียกว่าจิตใจมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมอะไรที่เรียกว่าปัญญานะมารู้รอบกองสังขารนะก็แน่ละ สภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าอันนี้จังทุกขังนัตตาอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นมาอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของอาการเกิดดับมันก็จะต้องผ่านหูผ่านตาสติตาปัญญาไม่งั้นมันก็ไม่ใช่การปิบัติธรรมการปฏิธรรมก็คือต้อง รู้ต้องเห็นชัดเจนในเรื่องตัวเราซึ่งเป็นตัวขันห้าถาล่มไปยึดเป็นตัวกูตัวเราแต่ถ้ารู้เท่ารู้ทันเมื่อไหร่เป็นเรื่องของการเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารการผูกแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ นเนี๋ยวแล้วความไม่เที่ยงมันคือพระเตลักมันเป็นความทุกข์ทุกครั้งที่รู้ไม่ทันการเกิดก็เป็นทุกข์การตั้งอยู่เป็นทุกข์ดับไปก็เป็นทุกข์ม่รู้ไม่ทันมันก็มีแต่จะวันไหวกับาการต่างๆตอนนิ้มเห็นเป็นทุกข์ในความทุกข์ก็ไม่เจตัวไม่เจตตนมันก็ผ่านแล้วจะเลยได้ การดับไปก็เป็นทุกข์เราไม่ใช่ตัวตนมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตาของเราแสดงเห็นไม่ใช่จริงๆแต่ว่าที่ผ่านมามาเด่นอย่างนั้นมันก็มีแต่เออเป็นไปนตามอาการทั้งนั้นเขาโกรธเราก็โกรธด้วยเขากังวลเรากังวลด้วยก็จะมีปัญหาอะไรเราก็มีปัญหาอะไรเขาด้วย ทั้งท่านมันอยู่กับเราแต่ว่าเราไม่เห็นมันเพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวหยาบก็มีตัวกลางก็มีตัวละเอียดก็ไม่มีไม่มีตังใช้ไม่ตังของถูกถูก็ไม่มีจิตเป็นเจ้าของพอตังไม่มีสักบาทของห้าบาทก็ไม่มีเงินไปจ่ายของสิบบาทไม่มีเงินไปจ่ายร้อยบาทไม่มีเงินไปจ่าย พันบาทหมื่นบาทของมันก็เป็นของมีค่ามีประโยชน์มากขึ้นมีคุณแต่ไม่มีตังค์ทั้งคุณค่าน้อยคุณค่ามากมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของก็เหมือนกับความสุขที่เป็นเรื่องการปล่อยการวางแล้วมันมีเป็นความสุข มันไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นความสุขมันออกไปหรือว่ามันถูกวางถูกตำแหน่งถูกที่ถูกทางถูกหยิบมาใช้เป็นความสุขมันเป็นอาการของธรรมชาติที่มันปรากฏมันไม่ใช่ตัวเราเลยความรู้สึกตัวจากอยากไปหาละเอียดอาการต่างๆที่มันแทรกออกมามันเกิดขึ้นมาถูกรู้ถูกเห็นจะเป็นรู้รอบกองสังขารกันไหม รู้รอบจริงๆมันไม่ใช่รู้หนึ่งสองสา ม, มันรู้รอบทียิบเลยทร ม, มามื8 4สี่พันมันธำอมันรอบเกิดทับเกิ ด, ดทับทียิบหนึ่งเดียวสิ่งที่ทำก็คือรู้สึกตัวรู้สึกก็ขยายผลจากยาไปหาละเอียดสติก็ตื่นรู้ลึกต่ออะไรก็ตื่นแล้วก็มีความซาบซึ้งมาแต่นั้น หลังจากหลับไหลหมานาน mm. เป็นคนเป็นปุถุชน <Yeah. S 1> เป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> เป็นกัลยาณ์ปุถุชนเป็นปัญญาชน <Yeah. S 1> จนเป็นอริยะชน <Yeah. S 1> มันก็ไม่หนักหนาสาหดมันก็เป็นเส้นทางเดินที่จะต้องเรียกว่าขยันสักหน่อยขยันกลับมา ปฏิบัติธรรมนะขยันกลับมาสู่ธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่นะการเคลื่อนไหวตาขนามผลิตความรู้สึกตัวหยาบๆยาบกลางกลางละเอียดความเป็นเองละเอียดนิดนึงได้เพราะความคิดติมเป็นเองเราไม่ได้เจตนาคิดยิงไม่มีกระการบริกรรมพุทธโตสัมมาระหังยุบหนอพองหนอก็ยิง บริสุทธิ์สะอาดพื้นที่ภายในจิตใจของเราเจตนาคิดก็ไม่มีที่เหลือก็คือสิ่งสปกปรกมันตินเครื่องเศร้าหมองข<ม>นะยะความคิดมันตินเครื่องเศร้าหมองที่มันประทับอยู่นะตัวเนี้มันก็จะได้นะถูกขูถูกเกาลอกแสดงตัวออกมาให้เราได้นะ เรียกว่าจําละมันก็เป็นเรื่องที่ขัดแล้วขัดอีกถูกแล้วถูอีกถูกมากๆ ก, กับสะอาดขัดมากๆกับสะอาดแต่ว่าต้องขัดให้พอดีนะเบาไปมันก็ไม่ได้หนักไปมันก็ไม่ได้ต้องมีความพอดีในการขัดมาถึงจะออกต้องขยันขยี้มันถึงจะออกลอยลึก ตรงนี้ต้องทําให้เป็นจริงๆครับจะมีการสร้างจังหวะสร้างจังหวะเป็นจังหวะถึงเป็นอาการเกิดดับนะขณะเคลื่อนมันคืออะไรขณะที่มันหยุดคืออะไรก็เกิดดับตรงนั้นจากจาไปหายละเอียดก็โชว์ออกมาเห็นแล้วเห็นอีกการกวาดบ้านนี่ต้องกวาดให้เป็นกวาดไม่เป็นนี่ยยิงกวาดยิงฟุง้งถูบ้านก็ต้องถูให้เป็นถูไม่เป็นก็เป็นโครน เจอแจะยิงถูยิงสซกรปกต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไม่เปลี่ยนน้ำบ่อยๆมันก็เป็นเทือกเมือกโครนถูไม่เป็นดับไฟก็ต้องดับให้เป็นดับไฟไม่เป็นตีไฟให้ดับก็ลุกเป็นอีกสี่ลูกห้าลูกนะขับรถก็ต้องขับให้เป็นไม่งั้นหลุมก็มาก หลุมพ ม, มาลัยหลุมเบกนนอกจากมีหลุมบนถนนแล้วหลุมพว ม, มาลัยเวียงท้ายเวียงฟ้าขับไม่เป็นเมารถนห ล, ลุมกันเล่งออกตัวไม่เป็นคนนั่งก็เหนื่อยคอแทบหักกระตุกก็ต้องขับให้เป็นชั้นใดก็ดีการสร้างจังหวะก็ต้องสร้างให้พอดีให้เป็นต้องอ่อนโยนผสมควร ก็แท้ก็ทันมันก็ไม่ใช่แต่มันก็มีผิดไม่ใช่แต่ก็ไม่ผิดเพราะบางทีมันก็แข่งกับควางมง่วงเจะไปช้าๆมันก็ไม่ได้ก็ต้องกระทืบลงไปให้ความสึกตัวชัดที่สุดหยาบที่สุดให้ความสึกตัวที่ผลิตเนี่ยมันเหนือกว่าอารมณ์อันนี้มันเป็นเพียงแค่เทคนิคหรือว่าศิละปะในการแก้อารมณ์เบื้องต้น จากการที่มันชอบเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นนามธรรมให้มันกระเทือบอกไว้มันอยู่กับวัตถุรูปธรรมก่อนเบื้องต้นทีเดียวมันล้ามันเหนื่อยมันเมื่อยก็เปลี่ยนนี้บทบ่อยๆแต่ว่าให้ใส่สติลงไปก่อนรู้เนื้อรู้ตัวสังเกตจิตความคิดมันพาธรรมหรือว่าสติปัญญามันพาเปลี่ยนเห็นแล้วเราก็เออค่อยๆ กำหนดวิญบทแล้วก็เปลี่ยนเขา้านั่งเดินยืนนอนรู้ ร, รู้ว่าจุดอ่อนตัวใหญ่มักจะอยู่ตรงการเปลี่ยนจังหวะนั่นแหละเปลี่ยนวิญญาณบทนั่นแหละจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นนะมันจะแทรกเข้ามาให้เราได้รู้จักว่าตัวคิดมันเป็นอย่างนี้ตำแหน่งมันเป็นอย่างนี้แล้วก็หลงเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ให้เราเจตนากำหนดเอากลับมารู้สึกตัวใหม่มันก็ตัดทันที มันไม่เข้าไปในความคิดทันทีเห็นบ่อยๆมันก็ชํานา น, เ, นเกิดความชานา น, นมันก็สนุกตรง น, นี้แหละมันลงมากเท่าไหร่ก็สนุกมากแต่นั้นเอากลับมากลับมาได้เท่าไหร่ก็มันก็หายใจทั่วท้องแล้วก็ภูมิใจลองลอยแต่ลองลอ ย, ลอลอยมันก็บอกถึงสภาว่าของเชือกหลุดเล็กๆนะรั่วแก้วแตกเล็กๆลอยเล็กๆ มันจะเป็นรอยยิ่งใหญ่ก็ต่อเมื่อเราเห็นใ บ, บ่อยแล้วก็ผ่านใบ่อ ย, อยนะมัจะเป็นทิศทางที่ทําให้เ ก, กิดความมั่นใจเมื่อก่อนเราอารมณ์ค้างเนะข้าไปในความคิดนะมีอารมณ์ ม, มกระทบในเดรัจค้างแล้วแต่เรื่องราวนะบางเรื่องค้างเป็นอาทิตย์เป็นเดือนไปเลยกับคนบางคนมันสลัดไม่หลุดจริงเห็นหน้าแล้วก็เหม็นหน้าไปเลย เห็นหน้าแล้วก็เบื่อหน้าไปเลยอยากหลบอยากหลีกทำไงก็ทำไม่ได้ตรงนี้ต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวเจตนาใส่ลงไปใส่ลงไปจนมันเห็นล่องเห็นรอยคิดมากเท่าไหร่มันก็หลุดมากเท่านั้นแหละเมื่อมันเห็นล่องเห็นรอยมันจะได้เปรียบการที่จะเสียเปรียบมันได้เปรียบ ถ้าเป็นมวยก็เป็นต่อไม่ใช่เป็นมวยลองพอเราเริ่มที่จะได้หลักการเคลื่อนไหวแต่ละขณะรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวความเป็นเองเล็กๆก็เริ่มจับได้แล้วก็พิษตาหายใจมันเป็นเองยิ่งรู้สึกตัวเข้าไปไม่ต้องพูดถึงรูปแบบปฏิบัติยิ่งชัดขึ้นไปมันก็ส่งเสริมเราละทั้งตัวหยาบตัวเละทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ส่งเสริม จะทำอะไรก็ตามก็มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวคนะอคลีเคลียทําให้เราเหมือนกับมีเพื่อนอบอุ่นนะจะทําอะไรมันก็มันอกมั่นใจมันจะ ม, มีการขวัญเสียเจออะไรขึ้นก็ตามเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะมันไม่มีการขวัญเจีย๋ยว่าหวานระแวงต่อไปนะแล้วก็การระวังก็เหมือนกัน มันไม่ต้องเป็นระวังภายนอกนะมันไม่ต้องระวังที่ตัวบุคคลอื่นแต่มันจะระวังที่ใจของเรานี่แหละระวังจิตใจของเราว่ามันจะเสียความเป็นปกติไปมันจะหลุดจากความเป็นปกติไปมันจะระวังนะทำให้เหมือนกับว่าเกิดความต่อเนื่องแล้วก็แก้จุดอ่อนของเราได้มากที่สุดเท่าไหร่ความต่อเนื่องมากขึ้นเท่าไหร่ความละเอียดของอารมณ์ก็ลึกซึ้งทราบซึ้งมากไปเท่านั้นตัวนี้แหละ เกยอารมณ์หยบหยาบที่สุดเวลาบวชใหม่ๆแล้วก็ปฏิบัติใหม่ๆที่เห็นชัดๆก็คือห่วงครอบครัวห่วงลูกห่วงอยอมโอทากห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ลวงเกยก็มีการห่วงงานห่วงการมันจะห่วงมากๆระวังแล้วทิ้งเอาไว้แล้วก็มีความรู้สึกมันมีความสําคัญเนื่องจาก อารมณ์ของการไปบัตรไม่สนุกอารมณ์งการเป็นบัตรมันรู้สึก ม, มันเบื่อมันเหมือนกับเป็นความหวังที่ริบหรี่คำพูดของครูบาอาจารย์มันไม่มีในตัวเรากําลังใจก็ไม่มีต้องอยู่คนเดียวมองไปทางไหนก็เศร้าใจเรามันเศร้ามองต้นไม้ต้นไม้ก็เศร้ามองสัตว์สั้นราสิ่งมองแสงของพระที่จะตกดินก็ยิ่งเศร้าอากาศเหงาเงาโปรเพรยายามยันยิ่งไปกันใหญ่ นะมันก็เลยนะมันก็ว่ายิ่งจิตใจนะกำลังตกศรัทธาตกนะตัง้งทั้งที่ตอนบวช ท, ที่แร ก, กมั่นใจนะมีศรัทธาเต็มร้อยรู้สึกไม่มั่นใจในรูปแบบปฏิบัติวิธีปฏิบัติอย่านงะีนะ้แต่พอเรากลับมารู้สึกตัวเราก็จะเห็นนะอารมณ์ที่มันเบื่อมันเซ็งมันเหงาบ้าเวมันก็หายคลาย สดชื่นขึ้นมาใหม่มันก็จะได้เห็นเลยนะเอา้ามันไม่เที่ยงเนี่ยแต่ตอนนั้นเราใช้ภาษาคิดเอามันไม่ใช่ว่าเห็นการความไม่เที่ยง เ, ยเห็นการเกิดดับมันไม่ใช่แต่วมันเป็นเรื่องของการคิดช่วยบางทีก็มองวางแผนเรื่องงานว่าเราตอนนี้เท่ากับมีค่าติดลบหรือว่าเท่ากับศูนย์ทางโลกไม่ทํางานก็ถือว่าถอยหลังแล้ว ถึงมันจะมีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็มันไม่ใช่ของเราอะนะเราอยู่ในสามัเพศอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงถ้ามีค่าเท่ากับศูนย์นบัดนี้จะต้องเลี้ยงชีวิตยังไงถ้าไม่บวชถือบาทใบเดียวถือก้อนขอก้อนเข้าก้อนน้าถือเอาการขอโดยบิดาบัดนี้เป็นวัดแล้วจะอยู่ยังไงมันจะพอกินหรือไม่การขอเข้านะ เขาเต็มใจจะให้เรากินหรือไม่หรือว่าเขาทำไปอย่างนั้นแหละเลึกๆจิตใจเขาคิดยังไงกับเรามันก็ทบทวนตัวเองพอสมควรเหมือนกันชาบ้านก็ไม่มีจะกินเลยนะมีข้าวเหนียวอย่างเดียวใส่บานแล้วแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะปลาก็เยอะแล้วเราจะทํำยังไงได้ข้าวเหนียวอย่างเดียวทุกวันจะกินยังไงกับข้าวก็ไม่มีเมื่อกลายเป็นผลกระทบทําให้เราเหมือนกับว่า จะต้องคิดต่อไปแล้วว่าอทำไมันไม่ใช่การบวชจะทํายังไงต่อไป <g ül> ก็ต้องทํางานทําการจะทําอะไรเมันก็คิดอย่างนั้นแหละถึงบางทีเอากระดาษมาจดเลยนะเราทําอะไรเป็นมั่งในชีวิตเนี้ยที่ผ่านมาทั้งมรดิ์พอจะหาเงินหาทองได้มันก็จดลงไปทําอะไรได้มั่งเรียนดนตรีได้ไหมอ่าได้หาเงินได้ไหมอ่าได้จะหายังไงมันก็หาวิธีคิด เป็นไงออกแบบได้ไหมเขียนแบบได้ไหมได้แล้วจะทํายังไงตอนนี้มีค่าเท่ากุลจะกลับไปสู่สภาว่าตรงนั้นได้ใหม่ทำอะไรได้อีกรับเหมาได้ไ่มได้แล้วทํำไมจะรับเหมาได้อีกมันก็คิดไปเพอร์เจอรนะ์ทำอะไรได้อีกอวสารพัดสารพันเราก็เป็นคนนักเอาเบาสู้มันทําได้นี่อทําได้แล้วกลัวอะไรล่ะตอนนี้มันไม่ได้กลัวอะไรเพียงแค่ปฏิบัติทำทํากรรมฐานไม่ได้ เวลาเดินยังคงก็เดินไม่ได้เวลานั่งสร้างจังหวะก็นั่งไม่ได้ก็ต้องหาเรื่องมาคิดแบบนี้ละมาหาเรื่องมานั่งเขียนอย่างนี้แหละท้ายสุดก็คืออ้าวนี่โดนมันหลอกนียโดนความคิดมันหลอกมันก็จะเป็นอะไรไปนถึงคิดดีขนาดไหนมันก็ทําไม่ได้อย่างที่คิดหรอกมันก็บอกตัวเองอย่างนั้นบางทีหลวงพ่อเขียนท่านเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเราก็ประสบการณ์เหมือนกันเลยฮะทีแรกก็ตั้งใจไปบวชอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาป พอไปถึงปั๊บแทนที่จะไปบัตรไปเฝ้าดูหลวงปู่เทียนอีกท่านอยู่ยังไงท่านทํำยังไงจริวัดเป็นยังไงบัดปฏิบัติเป็นยังไงเข้าตากรรมตการหรือไม่มีจุดอ่อนจุดปกปล้องหรือไม่ไปเฝ้าดูท่านก็เลยไม่ได้มาดูตัวเองแขกไปใครมาก็ไปดูแขกไปใครมาไม่ได้ดูตัวเองท้ายสุดอยู่10บวัน11วันแล้วยังเห็นว่าไม่รู้รูปน้ําเน้นถามก็เลย เริ่มต้นปฏิบัติต่อมาอีกไม่นานนักรวมแล้วยี่สิบวันท่านก็ใจสภาวะเริ่มตน้นเอ๊เหมือนเราเลยเนี่ยบางทีท่านก็ไปเขียนยันอวดเขียนยันให้สวยเป็นหมอทำมาก่อนเขียนยันสวยมากเลยไปอวดเพื่อนเนี่ปรากฏเพื่อนที่ไปฏบัติเนี่ยขยำทิ้งเราไม่เอาแล้วท่านยังเอายี้อีกเลยก็คิดได้ได้เพื่อนมา เกินไม่เห็นด้วยเออหอหมบ อ, อกด้วย <Yeah. S 1> เออก็ได้กลับมาดูตัวเองน่ยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรเป็นแรงจูงใจหรือว่าเป็นแรงผลักต่างๆหรือว่าแรงบันดาลใจของเราที่มีมันหมดไปมันเกิดขึ้นมาใหม่หรื อ, อยังศรัทธาความเชื่อในเรื่องการปฏิบัติธรรม <Yeah. S 1> เราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้ด่านมากมายแล้วเกินที่มันชักชวนบางทีก็เกิดอารมณ์บุญขึ้นมานะ ก็ขนไกวอะไรที่เป็นความสุขที่เกิดจากการทําดีให้กับวัดกับวามก็ทําทำก็ยันนะไม่มีหรอกบารมีบัติแล้วไม่เกิดอารมณ์บุญแล้วก็เกิดอารมณ์บุญแล้วจะไม่ทําตามที่มันสั่งนะเพราะว่ามันเป็นความสุขนะแล้วก็วแรงนะมากว่าที่ชีวิตโ ล, โลกมันจะเกิดขึ้นมามันไม่มีอะไรทํามันก็หาเรื่องดีๆทํานะมากมายแล้วเกิดมันก็ เป็นประสบการณ์ของการที่หลงเพลอครับบางทีเดินจะทำดีไม้ทิ่มเท้าก็มีไม้ทิ่มเท้าเสร็จก็ต้องนอนสมต้องรักษาหนึ่งครั้งสองครั้งมันก็ไม่เขียนหรอกมากมายเหลือเกินบางทีมันก็ไปทำเป็นพระป่าเคยรู้มาพระป่าต้องอบสมนุนไพรมันก็ทำก็ทามาแล้วสองเตาสามเตาแล้วให้อบไท้ยสึกก็ไม่เวิร์ก ไม่เวิร์เพราะว่ามันมันไม่มีใครมาอบด้วยมันก็ไม่สนุกเนียมันก็เบื่อท้ายสุดถ้าอบหลายๆคนแล้วก็สนุกมันก็นั่งอบกันอย่างเงี้นะเป็นเรื่องราวพอมาปฏิบัติปั๊บมันก็กลายเป็นว่าอารมณ์พวกนี้นก็อ่อนลงอ่อนตัวนะเคยทำเตาสูนไผ่พร้อมกับเตาเผากะยานในวัดนั่นแหลนะเตาเผานี่ทำมาแล้วสี่ห้าเตานะแล้วก็เตาสุดท้ายคือเตาใหญ่นั่นแหละ ทำมาแล้วก็จนทางยุคปัจจุบันเนี้ยเล่าแต่ไม่พังแต่ว่ามันเล่าแล้วอายุมานานแล้วเป็นสิบ ป, ปีแล้วก็นั่นแหะก็คืออารมณ์บุญทั้งหมดที่มันเข็นมันชวนแล้วก็ท้ายสุดล้วก็ต้องทําตามเพราะนั้นความรู้สึกตัวความเป็นปกตนะิมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ตรง จนอิ่มจนเอียนจนทายสุดก็คือเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นชุดอ่อนของการพิบัติแต่ว่าเป็นการเติมเต็มด้วยนะเพราะบารมีเราต้องมีนะทานบารมีต้องมีนะหรือว่าศีลความเป็นปกตินะมันต้องมีนะหรือว่าความดีในการก่อนที่เคยทำ ม, มันต้องมีนะพอเปมนอย่างนั้นแล้วเยอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ร้ายๆหรือว่าอารมณ์ที่ชุดนะอารมณ์ บาปหรือว่าระลึกบาปมันแรงมากนะมันท้อแท้ตัวนี้วันหนึงก็คิดถึงความไม่ดีวันนึงคิดถึงสิ่งที่เราไม่ดีแล้วก็ทําลงไปกับเขาคิดพูดทําลงไปกับเขาหรือว่าเขาไม่ดีแล้วก็ทําลงไปกับเรามันต้องการเอาคืนเอาคืนเอาคืนมันทําให้กําลังของความรู้สึกตัวมันถดถอยแต่พอเป็นอารมณ์บุญปับ๊บเนี่ยมันรู้สึกมีกำลังแต่ว่าถ้ามากเกินก็กลายเป็นหลงดีหลงอารมณ์บุญองนี้ย จะมีความเป็นปกติมากๆากใช้สุดพอมีอารมณ์ปกติมากๆากเริ่มที่จะรู้สึกตัวได้มากๆเอาอีกแล้วมันเริ่มรู้รู้รู้น้ำอารมณ์อิปัสโนก็เข้าอีกแล้วมันเริ่มมีอาการต่างๆไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นอารมณ์ตรงนี้มันก็เหมือนกับไม้แดงไม้แดงดูนอกไม่ออกสีข้างในมีสีแดงดูแข็งขัน มีธรรมะจำกรวดมาอวดกันส่วนใจนั่นซ่อนเนบตะเข็บในนะต้นแดงสอนธรรมเลยทันทีมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปวมดแล้วลนะกายเป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่ใช่ความเป็นปกตินะกายเป็นเรื่องของสภาวะที่มันเอามาอวดนะเอามาโชว์เหมือนกับสามล้อถูกหวยนะตรงนีนะ้เป็นอารมณ์ของวิปัสสโนต่างๆม่ยนะจะชวนไม่ให้ปฏิบัติอีกนะเกิดการคิดข้างในมากมายเหลือเกินที่มันอยากแสดงออกนะ มันก็มีอยอนะถึงตรงนี้แล้วก็มันก็เป็นอารมณ์ที่อยากจะชวนนะชวนให้ออกมาปฏิบัติธรรมร่วมกับนักปฏิบัติหรือว่าชวนให้มาทำงานนะเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่เทศสนุกแล้วก็เทศแล้วก็เป็นสภาวะที่นะคนฟังแล้วมักจะคล้อยตามนะอารมณ์วิปัสสนูนะี่เพราะฉะนั้นการเทศแต่ละนาตะละหนามเป็นอารมณ์วิปัสสนูทั้งหมดนะ แต่ว่ามันเป็นตัวร้อนกับตัวเย็นเท่านั้นเองการพูดสภาวะส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผ่านมาการพูดสภาวะส่วนใหญ่ก็คือการเทียบเคียงการพูดสภาวะส่วนใหญ่คือเหตุผลการพูดสภาวะส่วนใหญ่คือมันเป็นคําพูดของผู้อื่นของพระไตรปิฎกเขาเจ้าพูดไว้บ้างเราเชื่ออย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วใครพูดกัไม่รู้อาตม า, าอาจารย์คนไหนเขียนลงไปอันนี้เราก็ไม่แน่ใจ แต่ด้วยศรัทธาเราก็เชื่อว่าการกันกรองของบรรพบุรุษเราก็เคารพนะความคิดของท่านนะหรือว่ามหาเถรสมาคมนะจุฬาราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหรือว่ามหามิทยาอย่างเงี้ยเราก็เชื่อภูมิปัญญานะของมหาเถระสมาคมนะว่าคงจะเป็นการกันกรองหรือว่าสืบทอดมาอย่างไม่ผิดเพี้ยนเราก็เชื่อไว้ก่อน แต่ริงแล้วเมื่อมาสวมกับการปฏิบัติลงไปแล้วนะเราก็เห็นว่าเออมันเป็นคําพูดอีกมากมายนะที่มันออกมาระหว่างการปฏิบัตินะนะอย่างเช่นบางทีเสียงสวดมนต์นะมันก็โผนะบางคนมันเป็นสมาธิบอกอความคิดแต่ว่าเป็นโทนที่จิตใจเป็นบุญนะเป็นโทนฝ่ายจิตเป็นกุศลความดีความงามเป็นบวกบางทีมันก็จะออกมาเป็นคําเทศคําสอนของครูบาอาจารย์บางประโยค จะโผลขึ้นมาเหมือนกับเขามาคุยกับเราบางคนถึงขั้นเชื่อว่านะครูบาจารย์นะท่านมีฤทธินะ์มีคุณวิเศษแล้วท่านก็ส่งกระแสะมาบอกอะไรเงี้ยก็เชื่อกันไปอย่างนั้นแต่จริงๆมันคืออะไรมันก็คือความคิดของเราบวกกับสมาธินั่นแหละมันเกิดนิมิตนะบางคนก็จึงเอาบริกรรมเป็นนิมิตนะบางคนก็เอาลูกแก้วเป็นนิมิตนะเอาแสงสีต่างๆเป็นนิมิต แต่ว่าของเราปฏิบัติธรรมนะเราเอาการเคลื่อนไหวเป็นนิมิตนิมิตที่มันมีอยู่จริงสัมผัสได้จริงๆตรงๆเมื่อมันเป็นของจริงมันก็ต้องรู้ของจริงจะไปรู้ของไม่จริงได้ยังไงของจริงคืออะไรกันเนี่ยก็รูปนามมันเคลื่อนมันไหวอยู่นะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องสัมผัสทั้งรูปธรรมนามธรรมมันเคลื่อนไหวอยู่ตัวสตนะิก็เป็นตัวนามด้วยมันก็รู้อยู่เห็นอยู่ นามันเห็นนามอยู่มันก็จิตมันคิดมันก็เป็นนามแต่เป็นนามที่ว่องไวกับนามที่มันไม่ว่องไวตัวที่มันเป็นความคิดไม่ว่องไวคือความคิดที่มันเป็นตัวความคิดจริงๆการปรุงกันแต่งจริงๆมันไม่ว่องไวหรอกแต่สติมเป็นความบริสุทธิ์มันเป็นความว่องไวที่มันไวกว่าและเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่มันรู้ทันทีทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมามันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวทางไกล ทางกายมันรู้ได้สติมันคมขึ้นก็รู้ทางจิตได้และท้ายสุดมันมันรู้ทางจิตจิตมันมีความคิดเป็นอาการของจิตบ่อยๆมันก็มีความชำนาญเหมือนลูกธนูแหละมันมีเป้าโผลรมันก็ยิงชั่วมันก็จบทันทีมีเป้าโผลมันก็ยิงชั่วมันก็จบทันทีทุกครั้งมันเกิดอาการดับทันทีเมื่อถูกรู้เท่ารู้ทันความคิดจะปรงแต่งต่อไม่ได้ จะรู้ตอนไหนตอนเกิดขึ้นไหมรู้ตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยใหม่ๆมันก็รู้ช้าหน่อยดับไปถึงรู้บีเรื่องที่ก่อนดับถึงรู้พอหลังจากนั้นเจ้านานขึ้นกลางๆมันก็รู้แล้วก็ดับแล้วถึงขั้นมันไวขึ้นคิดแป๊บรู้ปุ๊บคิดแป๊บรู้ปุ๊บจอทังมันมีสติรู้สติมันรู้สติมันก็รู้ความเป็นปกติอย่างเงี้ย มาต้องคิดนะตรงนี้มารู้สติอยูเป็นปกติอยู่รู้ความเป็นปกติอยู่มารู้ก่อนคิดด้วยซ้ำไปเพราะมารู้ก่อนคิดขณะคิดมันยิ่งรู้เพราะว่ามันมันเต็มพื้นที่ความเป็นปกติพอเกิดความคิดจิตขึ้นมาโอ้อาการมันเกิดขึ้นบูบไหวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทันควันเลยล่ะไม่เสียเวลาไหวครูแล้วไม่เสียเวลาที่จะรอให้ปล่อยให้ทุก มันเห็นทันทีดับทันทีเห็นทันทีดับทันทีนพัฒนาการของมันน่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อนถึงกูวาอาจารย์จะพูดขนาดไหนก็ฟังแล้วก็ไปทำํำถ้าทําแล้วเป็นที่ตัวเราค่อยเชื่ออ๋อท่านผูดตรงนี้ตรงนี้มีอาการแบบนี้แบบนี้เอาค่อยเชื่อเออมันเป็นกุศลเป็นอ ก, กุศลเนี่ยทำหล่าเนี้ย เกิดขึ้นมาก็เป็นบวกเป็นลบจิตของเราคิดเป็นบวกเป็นบุญคิดเป็นลบเป็นบาปเป็นนรกเป็นสวรรค์อยู่ตรงนั้นเราก็เลยได้เห็นตัวภวาสวะอย่างเงี้ยเป็นภพกรรมมาสวรอย่างเงี้ยอ๋อมันเกิดกามก่อนมันถึงเป็นภพถ้าการไม่เกิดก็ไม่เป็นภพ การมีจกักยาไปหาละเอยียดอวิชชาสวะอ๋อไอ้ตัวนี้ตัวไม่รู้เนี่ยนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็รู้อยู่นี่ยนะทุกครั้งที่คิดอ๋อมันก็รู้อยู่เนีนะมนเน่มันก็เลยเป็นเรื่องของหน้าที่โดยตรงเลลนะที่เราก็ต้องทําแล้วสติมันก็ต้องทํำเลยตนะสมาธิปัญญาก็ต้องทําสติสมาธิปัญญาก็อยู่ ต, ตัวเดียวกันอีก มันเป็นตัวเดียวกันตรงไหนตรงที่เป็นหน้าที่ที่ทําหน้าที่เหลื่อมๆกันไปสติระลึกรู้การระลึกสั้นๆระลึกรูกต้ต่อๆต่อเนื่องเชื่อมโยงอ๋อสมาธิสัมมาสติอ๋อสัมมาสมาธิต่อเชื่อมโยงกันไปตั้งมั่นในสิ่งที่ทํากรรมฐานอยู่เห็นกายเห็นใจตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับความเป็นปกติอ๋อมันตั้งมั่น ตัวเดียวกันนะจ้นนนกรทั่งมันตั้งมั่นอ๋อเห็นการตั้งมั่นแล้วก็เวลาไม่ตั้งมัน่นหลงไปนะแต่ว่าหลงแล้วก็รู้ได้ไวกลับมาได้ไวอ๋อตัวปัญญานะเป็นตัวเดียวกันนะลึกรูนะ้เห็นทุกนะเห็นเหตุแห่งทุกแล้วก็กล่าวล่วงตัวเดียวกันนั่นแหละนะเหมือนกับตอนนี้เราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะมะกรูหัวกลนคิ้วเรียว ก, รนะกว่าแพร่ตะไบกรูหัวกลนคิ้วเรียวกว่าโยม อยู่บ้านมีลูกเรียกว่าพอ่ออยู่บ้านมีภรรยาก็เรียกว่าสามีอย่างงี้มีพ่อมีแม่เราก็เป็นลูกมีเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนขับรถเราเป็นคนขับรถไปตลาดเป็นลูกค้าแต่ท้ายสุดคือตัวคนเดียวกันหมดเลยฮะแต่ทําไมมันเรียกตามหน้าที่นั่นเองนเป็นตำรวจก็เรียกตำรวจเป็นหมอก็เรียกหมอเป็นพยาบาลก็เรียกพยาบาล แต่กลับบ้านเป็นหมอพยาบาลไม่ได้ถ้าใครขืนกลับบ้านแล้วดันเป็นหมอพยาบาลองี้เป็นพยาบาลกลับบ้านเงนี้ยเจอสามีจับฉีดยาองี้ใครจะอยู่ได้แล้วก็นะกลับไปบ้านก็ต้องเป็นภรรยาก็คือหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่างนะีก็จึงเป็นเรื่องเดียวกันเจริญสติก็ได้ทุกอย่างเจริญสติมก็มีศีลเจริญสติมก็มีสมาธิเจริญสติก็มีปัญญาเป็นตัวเดียวกัน มันก็รู้หน้าที่รู้งานรู้การแล้วก็เกิดความเป็นเองโดยเฉพาะแต่ว่าใหม่ๆเราก็ต้องสังเกตสักหน่อยในความเป็นเองก็ต้องมีเจตนากําหนดสักนิดเบื้องตน้นเจตนากําหนดเจตนาคือกรรมถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นการไปฏิบัติต้องมีกรรมมัฐานโดยใส่เจตนาลงไปไม่เช่นนั้นจะเป็นกัตตตกรรมทันทนะีกรรมที่เป็นโมฆะกรรมที่ไม่ให้ผลอย่าง ก็เรียกว่าทำงานทั้งเดือนแต่ไม่ได้ตังค์ทำงานสองเดือนสามเดือนก็ยังไม่ได้ตังค์แถมถูกปรับอีกด้วยก็คือศรัทธาก็หายไปตัวความเชื่อนะว่าปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานจะเพิ่นทุกข์หายไปปัญญาก็หายไปเพราะว่ามันเริ่มที่จะมีความเชื่อแบบอื่นแล้วก็ไปหาเรื่องอื่นทาแทนที่จะเป็นปัญญาโลกุตระก็เป็นปัญญาโลกียะ มันก็ไหลไปแบบนั้นนะแบบชาวบ้านมันเราอยู่อย่างต่ำทํางานอย่างสูงอยู่แบบพระก็ทํางานแบบพระทํากานทางด้านจิตใจของเราไม่ทํางานที่เป็นเรื่องของแบบโลกโลกตัวตัวไปนะคราว น, นี้อยู่อย่างต่ำทํางานอย่างสูงกินน้อยนอนน้อยอย่างเงี้ยเรเจตนาปฏิบัติทุกครั้งเกื่อหนุนรู้สึกมันก็ให้ผลนะนั้นไม่เป็นโมฆะแน่ๆเลย มันก็เป็นเรื่องของการเห็นราคะปฏิฆะแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นไามันไม่โมคะซะแล้วมันเห็นราคะเห็นปฏิฆะเห็นความชอบความไม่ชอบเห็นความหงดหงิดเห็นความอยากทยานต่างๆที่พุ่งออกจนเป็นสอนชาติยานอันนี้ไม่เป็นโมฆะอันนี้แหละท้ายสุดมันก็จะเป็นวิมุตต์แหละ เป็นความหลุดพ้นทุกๆขณะจนกระทั่งเหมือนกับว่าลงโปร่งเบาไปแล้วอิสระภาพเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตจะทําอะไรก็ทําไปถึงตรงนี้แล้วกัเป็นการเหมือนกับว่าเผชิญเพื่อลองหมัดของคู่ต่อสู้วันหนักขนาดไหนลองเจอเพราะว่ารสชาติบางทนะีในวัดมันป้องกันกันมากเกินไปนะจะต้องเอาคนดีๆเข้าวัดจะต้องคนที่ปฏิบัติแล้วเข้าวัดเหมือนโรงเรียนที่รับนักเรียนเกรดเอเข้ามานะ แล้วก็เรียนวิชาการอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นมหาเลายเปิดนะซึ่งเป็นเรื่องกองทุกๆอารมณ์ได้ผ่านนะเข้ามาที่นี่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราผ่านอารมณ์เหล่านั้นได้นะก็ถือว่าเขาเป็นครนะูเขาก็จะเป็นครูที่ดีนะทำให้เราเนะี่ยมันก็ว่าฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะไม่ถือโทษโกรธกันนะเพราะฉะนั้นเวลามีอารมณ์มากระแทกนะก็จะเป็นนะ เรื่องของพัฒนาการนะที่ดีวันดีคืนอยู่ที่ว่าข้างในของเรามันปึกหรือยังนะเป็นนักมวยที่หมัดหนักนะพร้อมที่จะน็อกคู่ต่อสู้หรือว่าคู่ต่อสู้นะ้ำหมัดหนักน้ําหนักหมัมดหนักฝันเราแล้วก็พร้อมที่จะน็อกเราไปเนินทากะทุกแล้วสารเสร์นกะทุกแล้วนะมีราบกะทุกแล้วมีเสื่อมราบกะทุกแล้วมียศกะทุกกแล้วเสื่อมยศกะทุกแล้วอย่างเงี้ยนะ หรือว่าเวลามันสุกมันทุกข์หลงไปนานสุขก็จมอยู่ในความสุขนกหลงก็อมแต่อยู่ในความทุกข์ก็เรียกว่ามันก็จะโมคะบุรุษโมคะบุรุษแต่ถ้ารู้สึกตัวปับ๊บก็กลายเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานทันทีก็จึงเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวที่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําไม่ได้แล้วมันจะเป็นเรื่องที่น ครูบาาจารย์ท่านจะคอยมาชี้นำหรือ ว, ว่าเชียร์เราตลอดเวลาเวลานะก็หมาอนกับว่าเราก็ต้องปลุกเราความรู้สึกนะจะบวชกี่วันนะอันนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าเวลาที่ใช้นะมันมีความรู้สึกตัวมีประสบการณ์ที่จรติตมีความรู้สึกตัวน้ำมากหรือน้อยเพียงใดนะตรงนี้สําคัญนะก็จึงนะเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาแม้ขณนะอึดใจเดียวเลย ในเมื่อขณะอึดใจเดียวเนเรารู้สึกตัวจิตเป็นปกติล้วก็ไม่ทุกข์เราก็เลยไม่ต้องเอาอะไรอีกนะถึงแม้กระทั่งคำว่านิพานก็ตามไม่ต้องรู้จักก็ได้เพียงแค่รู้สึกตัวครั้งเดียวนะแล้วจิตปกติขึ้นมาก็นั้นหมายถึงว่ามันก็คุ้มค่าแล้วล่ะแต่ความรู้สึกตัวที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ออกดอกออกผลขณะต่อขณนะเราเห็นว่าสมควรเวลาการ พ, พ้องกัน